ท่านฟังจะทำยังไงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปัตมายาเมเทศนารายการธรรมะที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งจิตใจเพื่อความสงบก่อนเข้านอนกับอภิชาโตภิกขุกก็ไม่ได้เจอกันนานพอสมควรกลับมาพบกันอีกครั้งหนึง่งก็ อ, อยากจะเน้นย้ำท่านผู้ฟังว่าให้มาทําความสงบกันนะ ก่อนที่เราจะเข้านอนเพื่อเป็นการชำระเอาขยะออกไปจากจิตใจให้จิตใจได้พักผ่อนในระหว่างที่เราทำงานทั้งวันมีกิจกรรมทั้งวันมันก็เป็นสิ่งที่อารมณ์เนี่ยมันจะเข้ามากักเก็บอยู่ในจิตใจของเราและถ้าในระหว่างวันเนี่ยเราไม่ได้คอยเจริญสติ ใจเรามุ่งอยู่กับแต่การงานภายนอกอยู่อย่างเดียวไม่ค่อยได้มีสติที่จะระลึกถึงจิตใจไม่ค่อยได้ระลึกถึงลมหายใจเพราะมันเป็นอย่างนั้นก็เป็นการเก็บกักอารมณ์ที่เราส่งใจออกไปรับรู้ไม่ว่าจะเป็นทางสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นทางสิ่งที่เราได้ยินเรื่องราวในระหว่างวันมันก็กักเก็บ เข้ามาในจิตใจของเราแต่ก่อนที่เราจะเข้านอนแบบนี้เราก็ได้มาฟังรายการธรรมะได้มาเข้าทำความสงบได้เล็กเล่นออกจากผู้คนมาทำความสงบให้กับใจได้เติมอาหารใจดีๆให้กับจิตใจโดยการที่เรา มาดูลมหายใจเอาใจจดจอ่อมีสติรึกรู้อยู่ที่ลมหายใจหรือคำบริกรรมของเราพอจิตใจของเราเนี่ยได้จดจอ่อยู่กับลมหายใจมันก็เป็นการปรับสภาพอารมณ์ที่ที่จิตใจของเราปรับสภาพอารมณ์ที่มันตกค้างก็เหมือนน้ำเกลือนะท่านผู้ฟัง เวลาที่เราเติมเกลือลองไปเนี่ยในปริมาณน้ําที่มันมีอยู่เท่าเดิมมันก็เค็มขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าในลักษณะที่มีเกลืออยู่เท่าเดิมเนี่ยถ้าเราก็เติมน้ําให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรสชาติของน้ํามันก็เปลี่ยนไปความน้ํามันมากรสชาติมันก็จืดลงใจเรามันก็ลักษณะเดียวกันการที่เรา กักเก็บอารมณ์มาระหว่างวันเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเติมเกลือลงไปนั่นแหละนะฟังเติมเกลือลงไปลงไปจิตใจของเราเนี่ยมันก็มีสีสันไปอย่างหนึ่งเหมือนเราเติมน้ำเกลือลงไปมันก็รสชาติเค็มขึ้นใช่ไหมแต่ตอนที่เราเติมน้ําลงไปน้ํามันก็เป็นการเจียจางใช่ไหมเจือจางความเค็มของเกลือลงไปรสชาติมันก็จืดลงจืดลงเราก็ดื่มได้สบายใจขึ้น แล้วก็ปริมาณในแต่ละอึกที่เราได้ดื่มน้ำไปเนี่ยความเข้มข้นของเกลือในแต่ละอึกมันก็ลดลงใช่ไหมชั้นใดชั้นนั้นเพื่อนฝังเวลาที่เรามามีใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจแบบนี้มันก็เป็นการที่เราเชื่อชางอารมณ์ระหว่างวันของเราออกไปเติมอารมณ์ที่มันเป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นไปเพื่อความหน่ายเป็นไปเพื่อความคลายความกำหนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อนิพพานก็เป็นอารมณ์ที่ดีต่อจิตใจแล้วพอเราเติมอารมณ์แบบนี้ลงไปมันเป็นไปฝ่ายเพื่อที่เราจะละอารมณ์ด้วยหลีกไกลจากอารมณ์ด้วย เพน้ก็อยากจะเน้นย้ำให้ท่านฟังได้ทาทุกวันก็จะดีมากได้มาเติมอาหารใจทุกวันทุกวันถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ช่วงเวลาดิบหนึ่งของวันเท่านั้นในระหว่างวันเราอาจจะไม่ได้มีเวลามาทำความสงบจริงจังก็จริงแต่ถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยมันก็เหมือนบ้านที่เราไม่ได้ถูไม่ได้ทำความสะอาดฝุ่นมันก็เกาะไปเรื่อยไปเรื่อย เวลาที่เก่ะไปนานๆคราบมันก็จะเหนียวใช่ทำความสะอาดแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันก็ยากแต่ถ้าเราหมั่นทำความสะอาดอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันบ้านเราก็น่าอยู่แหละอย่างแรกอย่างที่สองคือเราก็ไม่ต้องเปลืองแรงมากในการที่เราจะมาคอยขัดมาคอยเช็ดมาคอยถูทำความสะอาดในแต่ละครั้งบางครั้งเราก็ อาจจะทำอย่างรวดเร็วบางครั้งเราก็ทำประหนี่ขึ้นมานิดนึงแต่แน่นอนในแต่ละครั้งเราก็ไม่เหนื่อยมากแต่ถ้าเราไม่ทำความสะอาดเลยนอกจากว่ามันจะสกปรกแล้วเนี่ยเชื้อโรคต่างๆแมลงต่างๆมันก็ตามมาอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นมดไม่ว่าจะเป็นแมลงสาบเหล่านี้มันก็นําพาชเชื้อโรคมาอีกแต่ถ้าเราหมั่นทำความสะอาดทุกวันทุกวัน ทั้งแมลงทั้งพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเพรา ะ, ะนั้นไอสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยมันก็จะเรียกว่ามีอนุใหที่ดีขึ้นชั้นใดชั้นนั้นใจเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่หมั่นทำความสะอาดเนี่ยผลจากการที่เราเก็บหมักหมมอารมณ์ในใจของเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เป็นพิษกับจิตใจ ฉะนั้นถ้าเราหมั่นทําความสะอาดอยู่เรื่อยๆเนี่ยไอพิษที่มันจะเกิดจากการตกค้างของอารมณ์นานๆเนี่ยอารมณ์ทางฝ่ายกิเลสนะอารมณ์ทางฝ่ายที่มันจะไปทําให้เรามีความยึดติดยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อความไม่รู้ตามความเป็นจริงเป็นไปเพื่อความกําหนักยินดีเหล่านี้ถ้ามันตกค้างอยู่มากๆเนี่ยมันทําให้ใจของเราเนี่ยได้รับพิษตกค้างของมันไปด้วย อลไรท่านฟังเราก็ได้พูดถึงเคสลักษณะที่ถ้าเกิดท่านฟังเนี่ยได้ตกลงไปในทะเลเรือแตกอย่างเงี้ยท่านฟังจะทำยังไงแน่นอนแหละทุกคนก็ต้องมองหาที่เกาะที่ยึดใช่ไหมในท้องทะเลสําหรับใครที่มีร่มชูชีพมีห่วงยางก็เกาะไว้แต่ถ้าเกิดใครหาไม่เจอใครไม่มีก็ต้องคอย คว้าอะไรได้ก็คว้าเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นซากเศษเรือที่มันลอยอยู่เหล่านี้มันก็จะเป็นตัวคอยพยุงให้เรารอดให้เราพอที่จะรอดจากวินาทีนั้นวินาทีที่เราจะจมน้ำลงไปใช่ไหมแต่นี้จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นสเต็ปแรกใช่หรือเปล่าจริงๆไม่ถูกหรอกสเต็ปแรกจริงๆก็คือ เราต้องสงบจิตใจซะก่อนทั้งประปักเวลาที่เราสงบจิตใจแล้วเนี่ยเราก็จะคิดอ่านสมองของเราเนี่ยมันจะคิดอ่านประเมินสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบไม่ตกอกตกใจมากจนเกินไปถ้าลองนึกถึงคนจมน้ำเท่าฝั่งคนจมน้ำเนี่ยมันเวลาตื่นเต้นเวลามันตกอกตกใจเนี่ยมันก็ตะเกียกตะกายใช่ไหมแล้วเวลาคนที่เขาจะไปช่วยเนี่ย เขาก็สอดกันไว้ยังไงว่าให้เข้าไปข้างหลังนะอย่าเข้าไปทางข้างหน้าเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคุมสติตัวเองไม่อยู่เวลาเขาคว้าอะไรได้เขาก็จะคว้าไปเลยกอดไปเลยคนที่ไปช่วยเนี่ยก็จะไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมช่วยแล้วตอนนั้นทีนี้เขาก็เลยบอกว่าให้เข้าข้างหลังนะพอเข้าข้างหลังเสร็จก็จับเขาไว้ถ้าเขายังดิ้นอยู่ก็พยายามทําให้เขาไม่ดิน้นอาจจะ ทำให้เขาหมดสติลงไปก่อนก็ได้เพื่ออะไรเพื่อลดความล่นลานของเขาคนช่วยก็จะช่วยได้อย่างปลอดภัยแต่ทีนี้ถ้าในกรณีที่คนที่จมน้ำเนี่ยกลังจะจมน้ำเนี่ยตั้งสติขึ้นมาได้ไม่ล่นลานไม่ตกอกตกใจจนเกินไปเมื่อจะเป็นยังไงมันก็จะช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้น มองหาหรือพยายามประคับประคองตัวลอยตัวให้มันได้ได้ได้ดีขึ้นเวลาัว อ, อกตกใจเวลามันเคลื่อนเคลื่อนไหวเนี่ยมันเคลื่อนไหวที่มากเกินไปเสือเกินไปมันก็ทําให้เรามีโอกาสเปลืองพลังงานกล้ามเนื้อเกิดเป็นตะคิวง่ายหายใจก็ไม่เป็นจังหวะอันนั้นมันจะทําให้ระบบทุกอย่างมันรวนไปเยอะแหละแต่ถ้าเรามีสติเราก็ ทั้งระบบหายใจทั้งระบบการประครับประคองลอยตัวกล้ามเนื้อที่เราใช้มันก็จะฟังชันได้เต็มที่มันก็จะช่วยเหลือตัวเองได้ดีดในระดับหนึ่งนะและยิ่งถ้าเกิดมีคนคอยช่วยทีนี้เขาก็มั่นใจแหละว่าเขาจะช่วยได้ง่ายได้สะดวกแล้วก็ไม่พากันไปจมน้ำเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกจริงๆเนี่ยก็คือต้องตั้งสติทั้ั่ เลสถานการณ์ทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยต่างจากคนที่จมน้ํากันแหละทุกวันนี้เราก็เผชิญกับโรคใช่ไหมโรคระบาดโควิดแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารก็ดีที่ให้เรารับรู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงข่าวสารที่จะทําให้เราต้องระมัดระวัง แล้วก็มีมาตรการอะไรจากทางรัฐบาลที่เราต้องให้ความร่วมมือเวลาที่เราเสพข่าวสารมากจนเกินไปบางทีมันก็ทำให้เราตื่นตระหนกได้เหมือนกันบางทีมันก็ทำให้เราเครียดบางทีก็ทาให้เรารู้สึกไม่ใจจิตใจมันไม่ปลอดโปร่งแล้วความสุขความทุกข์ของเราเนี่ย เป็นใหญ่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจใช่ไหมถ้าเรามีความเครียดสะสมมันแกแน่นอนแหละมันเป็นความทุกข์ที่มันทับถมใจและเวลาที่เรามีความเครียดมีความกดดันความคิดความอ่านมันก็เสียไปด้วยเท่าไหร่ฟังมันก็ทําให้เราเป็นคนที่งุนกิจง่ายขึ้นทําอะไรตามใจมากขึ้น ทำความทำตามความถูกต้องน้อยลงอะไรเหล่านี้มันจะพาให้ฟังก์ชันของเรามันเสียไปหมดฟังก์ชันของการเป็นคนดีฟังก์ชันของการที่จะทําได้อย่างทําประพฤติตัวเป็นคนดีมันก็จะเสียไปและทีนี้เหมือนกันสิ่งแรกที่เราควรจะทําคือตั้งสติท่านผู้ฟังตั้งสติที่เราเสพข่าวก็เสพข่าวอย่างมีสติ แล้วเวลาในระหว่างวันเราก็ประพฤติตัวปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างมีสติบางคนเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารว่าเราต้องดูแลความสะอาดยังไงต้องประพฤติตัวต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้างเนี่ยแต่พอรับรู้มาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้ดูแลจิตใจพอไม่ได้ดูแลจิตใจเนี่ยมันก็กลายเป็นวิตกวิตกจริตไป เครียดก็เหมือนกับคนจมน้นะําน่ยที่ขาดสติทั้งฟังมันก็ร้อนรนไปหมดตะเกียกตะกายไปซึ่งเวลาที่เราเป็นอย่างนั้นในชีวิตเราไม่มีความสุขเลยนะทั้งฟังแต่ในสถานการณ์วิกฤตอย่างเนี้ยเราแน่นอนแหละมันคงจะไม่ได้สบายเท่าเก่าแต่เราจะอยู่ในสถานการณ์วิกฤตอย่างนี้ยังไงไม่ให้เราทุกข์มากจนเกินไป อันนี้ก็สําคัญเพราะฉะนั้นการงานภายในคือการที่เราย้อนใจกลับมาดูตัวเรามาดูอารมณ์ในใจของเราแล้วก็มีสติที่คอยรักษาใจอยู่ก็จึงเป็นเรื่องจําเป็นและในสถานการณ์วิกฤตอย่างนี้เนี่ยมันจริงจมันก็เป็นสถานการณ์ที่ดีนะที่ทําให้เราได้โดนฝึกหัดบังคับฝึกหัด ใจิตใจของเราถ้าเราอยากจะลดทอนความทุกข์ของใ จ, ใจิตใจเวลาที่เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนี่ยโดยมากคนเราก็อยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่ในเซฟโซนแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยทําอะไรเกิเรื่อยๆเฉยๆไปแต่ก็จะมีบางส่ว น, นที่เขารู้สึกว่าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่ในเซฟโซนแล้วเนี่ยมันก็จะจืเชืดไปหน่อยหนึ่ง เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเราก็ต้องผลักดันตัวเองออกมาจากเซฟโซนออกมาจากคอมฟอร์ตโซนเพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าพัฒนาตัวเองต่อไปแต่สําหรับคนที่ไม่ได้ผลักดันตัวเองออกมาจากเซฟโซนคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันก็อาจะจะเจอจังหวะอย่างนี้แหละที่ว่าเขาผลักเราออกมาแล้วเขาผลักออกเราจากเซฟโซนให้เราหลุดออกจากคอมฟอร์ตโซนของเรา เราก็ต้องดนโดนมังคับนั่นแหละถ้าเราอยากจะอยู่ให้รอดอยู่ให้ดีเราก็ต้องพัฒนาศักยภาพของเราขึ้นมาให้มันต่อต้านกับความทุกข์ให้มันต่อต้านกับอุปสรรคชิ้นใหม่ๆที่มันเข้ามาในชีวิตของเราแต่แน่นอนถ้าเราผ่านมันไปได้ศักยภาพเราก็ดีขึ้นแน่นอนเราก็จะเจอปัญหาที่เราแก้ไขผ่านไปได้ แลเราก็มีความสุขมากขึ้นได้มีความทุกข์ที่มันลดลงได้เพราะนั้นสถานการณ์อย่างนี้มันก็เป็นสถานการณ์ที่เป็นโอกาสดีๆในวิกฤตที่เราจะได้ผลักดันตัวเองให้ออกจากคอมฟอร์ z โซนให้เรามีศักยภาพทางจิตใจที่ดีขึ้น แต่แน่นอนเราโดนผลักออกมาอย่างนี้ชีวิตมันไม่ง่ายหรอกเพราะว่ามันจเจอข้อสอบที่ที่มันจะตัวใหญ่หน่อยยากหน่อยแต่ถ้าเราต้องโดนฝืนโดนมาคับอย่างนี้แหละมันต้องใช้พลังใจพอสมควรเพราะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องพยายามเนี่ยก็คือมีสติแล้วสร้างพลังใจที่เราจะต่อสู้กับมันไม่ย่อท้อกับอุปสรรคที่มันมี เพราะนั้นเราก็จะบริหารทั้งภายนอกไปด้วยแล้วก็ดูแลทางด้านจิตใจของเราเนี่ยให้มันเข้มข้นขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นกว่าตอนเนี้ยณนะตอนนี้อยู่ในสถานการณ์วิกฤตได้แต่เราก็ยังมีความสบายใจอยู่ได้แต่ไม่ใช่มีความสบายใจในการที่เราจะแหกกฎระเบียบของรัฐบาลหรือข้อกำหนดกฎเกณฑ์ในทางที่ดีนะ แต่หมายถึงว่าเราก็จะอยู่ในกฎระเบียบอยู่ในข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีที่เขากําหนดเอาไว้เพื่อความปลอดภัยแต่แน่นอนละ่ะไอข้อกําหนดเหล่านั้นเนี่ยมันก็ต้องโดนจํากัดวงที่เราอยากทําแล้วก็จะไม่ได้ทําที่เราต้องทําก็คงต้องฝืนใจทําบ้างมันก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่สบายใจเท่าไหร่แต่แน่นอนละ่ะเราก็จะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นได้ ในแบบที่เรามีความทุกข์มีความกระทบกระเทือนจิตใจที่มันไม่มากเท่ากับคนที่ไม่ได้ฝึกฝนแต่ถ้าเราฝึกได้อย่างดีเราก็จะมีความสุขมากขึ้นอาจจะมีความแช่มชื่นเบิกบานอยู่ในจิตใจเพิ่มเติมมากกว่าเก่าก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราพิจารณาอยู่เรื่อยแล้วเราก็ได้เห็นถึง ความสงบที่มันเกิดขึ้นแต่ในภายในเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความสุขระดับหนึ่งแล้วยิ่งการที่เรามีความสงบขึ้นแต่ในภายในมีอารมณ์เป็นอันเดียวแล้วเราได้พิจารณาเห็นถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเที่ยงหรอกความสุขที่เรามีเคยมีมาแต่เก่าก่อนตอนนี้มันก็หายไปลดทอนไป เพราะว่าสถานการณ์วิกฤตของโรคระบาดสิ่งที่เคยทำก็ไม่ได้ทำต้องคอยอยู่แต่ในบ้านออกไปข้างนอกก็ลําบากห้ามออกเพื่อความปลอดภัยแต่แน่นอนแหละมันมันไม่ได้สะดวกสบายมันไม่ได้ได้ดั่งใจอะ่ะมันก็กระเทือนใจเราแล้พอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนั้นก็มีความสุขดีความสุขมันก็หายไปแต่ตอนนี้ มันก็ไม่ได้ดั่งใจอาจจะมีความทุกข์มากกว่าสมัยก่อนแต่แน่นอนแหละเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ว่าความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีเดี๋ยวมันก็ผ่านไ ป, ไนนไปแล้วถ้าเรายังเอาความสุขความทุกข์ของเราเนี่ยไปผูกกับเรื่องราวต่างๆภายนอกเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีเงื่อนไขเยอะเงื่อนไขของความสุขของเรามันก็คับแคบลงไปแต่ถ้าเราไม่เอาใจของเราเนี่ยไป วุ่นวายกับข้างนอกข้างนอกมันเป็นยังไงก็ทำตามไปปล่อยให้มันเป็นไปในเรื่องที่เราควรจะต้องประพฤติปฏิบัติเราก็ทำให้ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็เห็นนั่นแหละว่าข้างนอกเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยมันไม่มีอะไรคงที่แม้แต่ความสุขแม้แต่ความทุกข์ข้างนอกที่มันจะเป็นตัวกำหนดให้ใจของเราเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้เปลี่ยนไปอยู่ตลอด แล้วเราก็ควบคุมมันไม่ได้ควบคุมเหตุปัจจัยภายนอกไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นถึงความไม่มีสาระแก่นสารในเรื่องข้างนอกเนี่ยที่ใจจริงๆของเราได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นเราก็จะเห็นคุณค่าความสุขความสงบที่เราได้ย้อนใจของเรากลับเข้ามาอยู่ในภายใน เป็นความสงบที่เกิดจากการที่เราไม่ยุ่งวุ่นวายกับเรื่องภายนอกเป็นความสงบที่ได้เกิดแต่การที่เราย้อนใจมาตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่ส่งออกไปข้างนอกไม่วุ่นวายกับเรื่องข้างนอกมันทำให้เราได้เปรียบเทียบว่าเออเวลาที่ใจเราเนี่ยมันไม่วุ่นไปตามเรื่องราวข้างนอกเนี่ยมันสบาย แล้วเราก็มีความสุขที่มันละเอียดประณีตได้อยู่ตลอดชีวิตเราก็จะไม่หนักไม่หนักทั้งความสุขไม่หนักทั้งด้านความทุกข์ที่มันมันเป็นข้างนอกนอกะแล้วเราก็จะได้พักพักเรื่องวุ่นวายข้างนอกได้ย้อนกลับเข้ามามีความสุขในภายในของเราเพราะนั่นก็อยากจะเชิญชวนให้ฟังนะ ว่าเราออกไปข้างนอกไม่ได้เราต้องพยายามเกบตัวเพื่อให้รัฐบาลทำงานได้ง่ายขึ้นคอยจำกัดวงของการแพร่กระจายเชื้อออกไปก็แต่ละคนแต่ละคนก็อยู่บ้านอยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติใช่ไหมทีนี้มันก็เป็นโอกาสนี่นแหละที่เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านฟังเนี่ย ได้ใช้โอกาสว่างอันนี้เนี่ยมาทํามาฝึกการงานภายในของเราเราก็มีเวลาว่างมากขึ้นใช่หมัารแทนที่เราจะเอาเวลาไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆตามแบบเก่าๆเราก็มีเวลาว่างมากขึ้นเราก็เอามาใช้เวลาเกี่ยวกับจิตใจของเราให้มันมากขึ้นเอามาฟังธรรมะมากขึ้นเพื่ออะไร เพื่อหนึ่งได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับความดีงามทางด้านจิตใจข้อประพฤติปฏิบัติที่เราควรจะต้องทำยังไงเพื่อเราจะได้ดูแลจิตใจได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการที่เราได้คัดกรองเอาอารมณ์เก่าๆออกไปคัดกรองเอาเรื่องราววุ่นวายออกไป ให้เราอยู่ในเรื่องที่เราอยู่ในเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อนิพานมันเป็นไปเพื่อทําให้ใจเราเนี่ยมีความสงบในภายในดีขึ้นมีความสุขในภายในดีขึ้นก็ไม่ได้ทําอะไรมากถ้าอฟังเอาเวลามาหัดที่จะมีสติอยู่กับตัวเองอย้อนใจ ไม่ให้เผลอไปกับความคิดไม่ให้เผลอไปกับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราฟังคอยมีสติอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆคอยมีสติอยู่กับกายของเราเรื่อยๆเห็นกายอันหนึ่งมีสติเฉพาะหน้าที่ลมหายใจเห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งรักษาใจเราอยู่อย่างนี้แหละซึ่งถ้าเรามีเวลาว่างไม่ใช่เฉพาะก่อนเข้านอนแบบนี้เราก็ ฝึกมันทั้งวันเลยเพื่อที่จะได้เติมเติมอารมณ์ดีๆมาเจือจางอารมณ์ที่มันเป็นพิษที่มันเสียๆเชือจางมันออกไปเติมน้าดีเติมอารมณ์น้าดีเติมอารมณ์ในฝ่ายธรรมะให้กับจิตใจย้อมย้อมจิตใจของเราชาบจิตใจของเราด้วยธรรมะย้อมจิตใจของเราให้อยู่ใน อารมณ์ในฝ่ายธรรมะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะมาตอกย้ำนั่นแหละว่าความสงบมันดีนะเวลาที่เรามีเวลาว่างถึงเราจะโดนสถานการณ์บังคับอยู่ในสภาวะวิกฤตแบบนี้แต่เราก็อ ย, าอย่าละเลยสิ่งที่สำคัญก็คือจิตใจของเราหมั่นดูแลจิตใจของเรา ที่ที่ลมหายใจสำหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนแล้วคราวหน้าค่อยกลับมาพบกันใหม่เจริญพร